แนะนำเพื่อชีวิตในเรื่องที่แล้วเมื่อทั้งเสือและงูตายก็ถึงเวลาที่ชายผู้นั้นจะทำอะไรได้แล้วเขาหยุดลิมรถน้ำพึ่งและพยายามปีนขึ้นจากบ่อ แล้วเดินออกจากป่าไปสู่ที่ปลอดภัยชีวิตไม่จะเพียงแค่ไม่ทำอะไรนอกเหนือจากการลิมรถน้นพึ่งชายหนุ่มผู้หนึ่งจากเมืองซิดนีย์เล่าให้อาตมาฟังว่าเขาเคยพบหลวงพ่อชาท่านอาจารย์ของอาตมาในเมืองไทยครั้งหนึ่ง และได้รับคําแนะนําที่ดีที่สุดในชีวิตจากท่านหนุ่มสาวชาวตะวันตกหลายคนที่สนใจพระพุทธศาสนาได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อชาเมื่อยี่สิบกว่าปีมาแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ตัดสินใจเดินทางไกลมาเมืองไทยด้วยเหตุผลเพียงเพื่อจะไปพบพระผู้มีชื่อเสียงองค์นี้ เพื่อถามปัญหานับเป็นการเดินทางไกลซึ่งใช้เวลาถึง8ดชั่วโมงจากซิดนีย์เมื่อถึงเมืองไทยแล้วเขาจับรถไฟเที่ยวคำ่ำใช้เวลาเดินทางอีกสิบชั่วโมงจึงถึงอุบลราชธานีที่สถานีรถไฟอุบล ก็ต่อรองราคาให้แท็กซี่พาเขาไปวัดหนองตาพงซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อชาในที่สุดเขาก็มาถึงกุฏิของหลวงพ่อด้วยความเหน็ดเหนื่อยและตื่นเต้นหลวงพ่อมีผู้คนนับถือมากท่านนั่งอยู่ใต้ถุนกุฏิของท่าน แวดล้อมด้วยคนหมู่ใหญ่ทั้งพระและฆรวาสชาวนายากจนและพ่อค้าร่ำรวยหญิงชาวบ้านแต่งตัวปนปอนและหญิงชาวกรุงแต่งตัวฟู่ฟ้าทั้งหมดล้วนนั่งอยู่เคียงข้างกันไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะที่ใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อ นมออสเตรเลียนนั่งลงตรงริมริมฝูงชนกลุ่มใหญ่นั้นสองชั่วโมงผ่านไปแล้วหลวงพ่อก็ยังไม่สังเกตเห็นเขายังมีคนอีกมากมายอยู่ก่อนหน้าเขาเขาลุกขึ้นแล้วเดินออกไปอย่างสิ้นหวังขณะที่เดินผ่านวัดเพื่อจะไปที่ประตูใหญ่ เขาเห็นพระกำลังกวาดใบไม้อยู่แถวแถวหอระฆังยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าแท็กซี่จะกลับมารับเขาที่ประตูใหญ่ตามที่นัดกันไว้เขาจึงหยิบไม้กวาดขึ้นมาคิดว่าจะสร้างกรรมดีสักหน่อยประมาณ30สินาทีถัดมา ขณะที่เขากำลังง่วนอยู่กับการกวาดเขารู้สึกว่ามีใครสักคนวางมือบนบ่าของเขาเขาหันกลับมาดูทั้งช็อกและยินดียิ่งที่พบว่ามือนั้นเป็นมือของหลวงพ่อชาซึ่งกำลังยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าเขาหลวงพ่อชาเห็นหนุ่มชาตะวันตกนี้ แต่ไม่มีโอกาสจะพูดกับเขาท่านกำลังจะออกไปธุระนอกวัดท่านจึงหยุดแวะที่ชายหนุ่มจากซิดนีย์เพื่อจะให้อะไรแก่เขาหลวงพ่อกล่าวอะไรบางอย่างเร็วๆเป็นภาษาไทยแล้วเดินจากไปพระผู้เป็นลามบอกเขาว่าหลวงพ่อบอกว่า ห้าคุณจะกวาดจงทำมันให้ถึงที่สุดแล้วล่ามก็ตามพ่อไปพ่อหนุ่มครุ่นคิดถึงคำสอนสั้นๆนั้นระหว่างการเดินทางที่แสนไกลกลับออสเตรเลียแน่นอนว่าเขาตระหนักดีว่าหลวงพ่อชาได้สอนเขา มากกว่าเรื่องการกวาดใบไม้ยนักความหมายของท่านกระจางชัดแก่เขาไม่ว่าเราจะทำอะไรจงทำมันให้ถึงที่สุด เขาเล่าให้อัตมาฟังที่ออสเตรเลียหลังจากนั้นหลายปีว่าคำแนะนำเพื่อชีวิตนี้คุ้มค่ามากๆแม้จะต้องเดินทางไกลเช่นนั้นเป็นร้อยครั้งก็ตามมันเป็นหลักชีวิตของเขาและมันได้นำมาซึ่งความสุขและความสาเร็จแก่เขา เมื่อเขาทำงานเขาก็ทำให้ถึงที่สุดเมื่อเขาพักผ่อนเขาก็ทำให้ถึงที่สุดเมื่อเขาเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเขาก็ทำให้ถึงที่สุดเช่นกันมันเป็นสูตรแห่งความสำเร็จและเมื่อเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็ไม่ทำอะไรให้ถึงที่สุดด้วยเช่นกัน